เราก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติมีแต่ล้มลุกคุกคลาแบบนแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นตอนจริงนะสุขก็ชั่วเปลทุกข์กขช็ชั่วเปล่าดีกช็กชั่วเปลชั่วก็ชั่วเปล่อย่างนง่ายเพราะทุกวันมีแต่ธรมมรมะล้วนๆคมตุกเกิดขึ้นก็มีธรมมรมะมันดับควาทุกข์ก็มีธรรมะนั้นมันดับทันทีมมถ้าอยู่ดีนานๆไปปัญญามีแจ้งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลย ซึางธรรมจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าสึดษาวอนดีศาวอน mm hmm. ดีแล้วแต่ที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้เลยนะท mm hmm. ีคุณแต่ละคนไปประทองไว้หน่อยนึ่งเพื่อความตื่นเต้น mm hmm. ดืออกไหมดีเราคุณมีเม็ น, น mm hmm. เห็นบ้างเออตื่นดินที่เด็กมันตื่นใจมันตื่นทําำไงดี ดูให้มันเป็นใจรักนะคือไม่ใช mm ่ด hmm. ูเฉยๆอย่น hmm. ี strong, ้ไม่ได้นะดูไปใจใจอยู่สะหากนะอะไรเกิดขึ้นใจเป็นแค่คนดูใจเป็นคนดูลำคอนเห็นใจเห็นแต่เคลื่อนไหวใจใจเป็นคนดูสบายๆนะดีก็ได้ร้ายก็ได้ไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกดอนชับไปวาดภาพว่าพระอรหันต์นี่คือคนที่ฝึกให้จิตดีถาวร สุขสาวอนเป็นบุญเป็นกุศลสาวอนเลยคิดแต่เรืงาวอนสาวอนนะสาวอขัดกับคำว่าอนิจจังน่าปล่อยดี่ล้วที่ทาอยู่ดีนะทั้งสอคนเออคิดบ่อยไม่เป็นไร่เงี้ยโลงนางแ้าเคยบ่อยก็แต่งว่าไม่นานมันเพิ่มตัวไปคิดทั้งวัน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 คนไหนติดแเทีมมากที่เรียนาที่่แล้วที่ที่อยู่แล้วตอบเลยที่ถูกแล้วดไปที่ทแล้วที่ถูกแล้วด่อลู้วไป่อยู่เไปทแล้วยถกวูีอ่้เป็นอยู่แล้วตอบู้วปอย่้วตอแอลอบเลยที่้ไอเแด้ตท่ถูนไ่ทต่อ มันก็ไม่มาถึงใจก็ไม่มีสุดกุ้มกุนะ้งตนกุ้งตนไม่มีแต่อย่าไปทำเพิ่นเป็นอย่างนั้นตลอดนะนนาบางคนเป็นีระทั่งไ ร, งร้ความรู้สึกต้องรู้สึกไม่ดีมันนดี๋ยวให้มันนิ่งตลอดแต่ตอนนี้ไม่นิ่งหรือเปล่าไหมตอนนี้ใจมันจะตํามตวนรู้สึกไนมะมันจะหลับจะเงียนพันดูให้ดูเลงไปให้รู้พั น, นมันไม่ได้นิ่งจริง ดูความรูรรส้สึกือความติดใจนะสุรุงานยุ ง, งานยุไม่ใช่ข้ออ้างต้งงานยุ่งก็ปฏิบัติได้เรา้่างเนดีแนละ้วมันกลางเพราะปัญญามันไม่ได้กลางเาเราบักรับ ตาข้ปัญญาเป็นเห็นทุกอย่างเกิดแลวตาบในที่สุดใจก็เป็นกลงังดีนะแล้วไงดีเนแต่ชอบก็ไม่เป็นไรชอบก็รู้ว่าชอบนะไม่ต้องแกล้งไม่ดีใจ <c oughs> ไม่ใช่เจอเพื่อนก็ํำเป็นผีดิบนะไรความรู้สึกทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะบางคนภาวนา ทำร่างกายให้เป็นผีดิบให้ชื่อชื่อทำจิตใจให้เป็นผีดิบชื้อชื่ออไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอดีใจหรือไม่ดีใจความดีใจก็อยู่ชั่วคราวเหตุใจก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็ชั่วคราวในที่สุดการด่าแจ้งทุกอย่างชั่วคราวอย่างนี้ง่ายดีสุตที่ทำจิตตรงนี้ได้แต่ตาดีแใจที่ตั้งมัน่นดูออกไหม ใจไม่ตังม่นราไม่ตังมันรู้อย่างที่เขเป็นก็ได้แล้วส่งไปให้แจ็คหน่อยแจ็คคือการรู้ตัวหลักที่หนึงมานเปเป็นการอืพอเรารรู้ว่าใาวที่รู้ดีอะไรที่รืองนีน้ความตนต เจอว่มีทางตัวใจที่ขาดทราบว่าอะไรที่เกิดดีนะนะสติตัวจริงเกิดขึ้นมาก็เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจอย่างนี้วในสติตัวจริงต้องเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดถ้าสติที่จงใจให้เกิดไม่มีกําลังจริงงนั้นจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ย ถ้าพูดในแง่ปริยัตินะมันมีจิตอยู่สองดวงเท่านั้นที่เราใช้ทําในปัจสจสุบเป็นจิตที่เป็นสุสวรรคเรียกมหาสุศวรรคจิตประกอบ ด, ด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ชักชวนให้เกิดเกิดเองเกิดเองเนี่ ย, าา ย, ยอาแต่แขนวิหารสังขาริกั์เกิดเองแต่ปัญญารวงก็มีความสุขทางเดือก็เป็นเบิกขาแก่รู้สึกไหมมีสองงาน มีจิตที่มีความทุขกข์เป็นอุเบกขามีสองอันไม่มีสามันมีแค่สองเพระนทันทีที่สติเกิจริงเกิดเนี่ยความทุกข์จะเต้างร่วงหล่นไปทันทีนะไม่มาคาลักาสังอยู่ในใจเราความทุกข์ดับทันทีเพราะความทุกทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลจิตเท่านั้นจิตที่เป็นกุศลจริงมีสติตัวจริงที่มาโดยเฉพาะถ้ามีสติ และประกอบด้วยปัญญาและเกิดโดยไม่ได้ชวนให้เกิดไม่ได้ชักชวนให้เกิดไม่ได้จงใจให้เกิดจิตเดียดวงนี้มีกํำลังมากเป็นจิตที่ใช้ทำให้ปัสนาแต่ถ้าจิตบางดวงมีสติเฉยๆไม่มีปัญญาเช่นเราเก่งเอาเพ่งเอากําหนดเอากําหนดเอานะมีสติไม่มีปัญญาแอบเกิดโดยชัตั้างใจให้เกิดด้วยจงใจไปกําหนดพยายามจะกําหนดให้สติเกิด จิตอย่างนี้ไม่มีกำลังถ้าพูดแบบปริยัพนะจิต ท, ที่เป็นมหากูุตระจิตยานสามัมปยุทธ์มประกอบด้วยปัญญาเป็นไตรลักษ์อสังค า, าริกังไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดเองแต่ว่าทำไมมันถึงเกิดเองได้เพราะว่ามันจำสภาวะได้แจ้กที่อบอกใช่ไหมพอสภาวะที่จิตมันรู้จักเกิดแนละ้วสติเกิดเองสติเกิดเอง อันตีที่ใส่ขีเกิดรู้สึกไหมจิตเป็นกุศลจับตังรู้สึกไหมกิเลสดับทันตีรู้สึกไหมไห ม, ไห ม, มีความสุขรู้สึกไหมใจอ่อนโยนรู้สึกไหมใจเบาไม่ใช่หูเบานะไม่ใช่ใจเบาแบบโลกๆนะใจมันเบาจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนจิตใจปราดเปรียวไ ม, ไม่สึ้งไม่ซื่อจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนี้เป็นข้อกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วย เป็นความจริงของกายของใจเห็นใสรักจะเห็นเลยรเช่นใจเราลอยไปแวบบสติเราลึกปับความใจลอยดับทันทีเกิดรู้สึกตัวยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นภายในมีความสุขต่อไปจะมีความสุขยอนะเห็นมาเห็นแนวเห็นดินป้าอากาศยิ้มได้หมดเลยนะเอเอเหมือนหลวงพ่อแต่ก่อนอยู่ในธรรมเนียบรฐัฐบาลนะเป็นดาวยิ้มประจาําทําเนียม เดินไปไหนนะมีแต่ความสุขเพรก็มันมีสตินี่มีความสุขทั้งวันเลยคนอื่นเขาอีกหน่อยหน้อยเก็มีความสุขตอนเ็าปฏิวัติกันนะผู้คนตกอตกใจหลวงพ่าไม่ตกใจทหารต่างจังหวัดเขาไปยึดไว้ตัะนนะี้ไมปากเล่ <laughs> เดินเข้าไปคุยแต่ทหารรู้ไหมขับเไปไปกูลาาแล้ว รู skin, ates, ้ไเปเจ้าอยู่ว่าสัเด็ดสุโคราแล้วแม่้หาเรืสันเงี้ยเงีนะจับหลวงพ่อไม่ทันเลยเจอระวัติเฉยเลยเพรนภาวนาแล้วจะมีความสุขไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งมีความสุกขภาวนาแล้วจิตใจสอดสงโล่งเบาไม่ใช่ภาวนาแล้วเครียดแล้วพี่เป็นยงไงถามแทนไม่ได้ ดูที่มีสา <in ี่ยวาเพราะว่าถ้ากิว่า้าูังขา่บางอ่งทสุที่เดขึ้นำ้เราดี้อะไรงเงี้อไร่ยดเราทำใหเรานแล้วก็เร่องของที่ีเร้ตอนี้ผมผู้ายัย3ขึ้นทั้ทีนี้แต่ไมต่อ ดูไปนะตัณหาเนี่ยเกิดสลอดเวลาตัณหามีหกตัวตัณหาที่เราเรียนทางปริยัตมีสามตัวนะการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ตัณหาของนักปฏิบัติมีหกตัวเรียกว่ารูปตัณหาอยากดูรูปถ้าตัณหาอยากฟังเสียงั้าตัณหาอยากได้รสอยากได้กลิ่นอยากได้สัมผัสทางกายแล้วก็ธรรมมาตัณหาอยากได้อารมณ์ทางใจที่เื้อฝืน แัน้วตัณหามีหกอันถ้าตัณหาเกิดขึ้นมามันจะปักให้ใจดิ้นตัณหาเป็นผู้สร้างพบใจจะดิ้นใจจะดิ้นใจก็มีความทุกข์ขึ้นมามีพบมีชาติมีทุกข์ขึ้นมาเังนั้นถ้าเราเห็นตัณหาได้นะตัณหาดับสนิทใจก็ไม่ดิ้นใจก็ถึงความสงบสุขดีละเห็นตัณหาได้ดีละแต่ก่อนสงพ่อหัดภาวนานะหัดใหม่ๆ่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 เอออยากมากทุกมากจากน้อยทุกน้อยไม่อยากไม่ทุกเนี่จะรู้สึกอย่างนี้นะเพระว่าใจที่เราไม่อยากมันนี่คือการที่มันอยากใช่สิเออมีความอยากก็เกิดความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็เกิดความอยากคือยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเนี่ยตัณหามันเป็นอย่างนี้นี่ยคือสังสารวัตยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะยี่งทุกข์ยิ่งดิ้น แล้วก็ดิ้นไปเรื่อยๆทุกแล็บสมุทยัยยิงอาใสกันเลยยิงอาใสกันอยู่อย่างเนี้ยเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมา ส, สรรสารวัตรทุกที่ิ้นสุดแต่ว่าเราภาวนามากๆไปมันตัทั่วไปเห็นว่าไม่สมอยากเราทุกพวกเราเห็นว่าถ้ามีความอยากเราทุกแต่พาภาวนาจนสัญญาแจ้งสุดขีดนะจะอยากหรือไม่อยากอันท่าก็เป็นทุกมันตัวเกิดตัวของมันเองแล้วตรงนี้ลึกที่สุดละ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 แต่เรายังไม่รู้ธรรมะอีกข้อนหนึ่งเราไม่รู้ทุกเั่นแหละจึงเกิดสมุทัยเกิดทันหาททำไมเราถึงต้องมีความอยากที่จะให้กายในี้ใจในี้เป็นสุขอยากให้กายใ น, ใใ น, คนคี้ใจนี้คนทุกเพราะเรามีความไม่รู้มีอวิชชามีความหลงผิดเราคิดว่ากายกับใจคือตัวเราพอมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันคนทุ๊กพอมีความอยากมันก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุก พอยิง่งตู้ก็เลยยิ่งดิ้นหนักขึ้นอีกคนทั่วๆไปก็พยายามต่อสู้เพื่อจะได้มีความสุขคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั้งหลายคิดว่าถ้าสนองความอยากได้แล้วจะมีความสุขดังั้นจะวิ่งหาอารมณ์มีความอยากในอารมณ์หรืออยากดูอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอะไรอยากคิดเรื่องสนุกสนุกคิดว่าถ้าอยากได้ได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขได้ตอบสนองความอยากและจะได้สุข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 ถ้าแจ้งอริยสัจกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆความปล่อยวางมันจะเกิดถ้าเห็นว่าสุขบ้างทุกข์ว่างไม่ปล่อยวางเดวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆเดีวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆดังนั้นเรียนรู้นะั้นเรีนรู้กายเรียนรู้ใจที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนปัญญามันจะแจ้งเป็นลําดับลําดับไปตอนนี้เหมือนเราเจอได้คึ่งถาม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 การรู้ทุกเจอกัะทั่งรัสมูไทยแจ้งนิโรธเรียกว่าอาริยมรรคมีความรู้ความเข้าใจแค่นี้นะัะความรู้ความเข้าใจอย่างนี้มีพราลูกวัดหลวงพอมีนักศึกษาอยู่คนกว่าเก่งคนกวา่าเวลาหลวงพ่อพูดอะไรนี่น่าจะสงสัยว่าโม้เอาเองหรื <laughs> เอเ่แอบเปกคนพระใจผิดอกหลวงพ่อเลยสบายแนละ้งมีกองหลังคนพระใจผิดอกให้ คนไปคนไปรู้ไปหาเจอในเล่มที่สิบเก้าชื่อขวัมปฏิสูตรขวัมปติสูตรเนี่ยเริ่มต้นบอกว่ามีพวกพระมหาเทระพระรหันท์งหลายท่านคุยกันท่านบอกว่าท่านไปบิณฑบาตมานะฉันเสร็จแล้วก็นมานั่งคุยกันที่วัดท่านบอกว่าก็ไม่รู้ปุนะ๊บนั่นแหละสิเกิดสมุทยัย ถ้ารู้ตุแกแจมแจ่สมุไทไยก็ถูกละนิโรธก็แจนี่คือมรคพูดกันเองทักตะวัมปติทัาตตวัมปติเนี่ยเป็นซระรุ่แรกๆเลยนะเป็นกลุ่มยพระยศเป็นเพื่อนพระยศออกมาบวชด้วยกันทัาตตะวัมปติท่านก็บอกว่าผมได้ยินมาต่อหน้าจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าได้ยินเงินด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้ารู้ทุกก็เป็นอันล้ะสมุทยัยแจ้งนิโรธ เ, เจริญมรรคมรรคเนเจริญอันนี้เหมือนที่พระทา่านพูดกันทุกเจ้าบอกต่อไปเองถ้าล้ะสมุทัยได้นะก็รู้ทุกแจ้งนิโรธเจริญมรรคหถ้าแจ้งนิโรธ <c oughs> ได้นะก็เป็นอันรู้ทุกล้าะสมุทยัยเจริญมรรคถ้าจเจริญมรรคได้นะก็รู้ทุกล้ะสมุทยัยแจ้งนิโรธเนี่ยดูภูปัญญาของพระพุทธเจ้านะ ขนาดนั้นเนี <Yeah. S 1> to, right? ่ยพวกสาวบไปได้นิดเดียวสาวกว่าภาวนาขนาดไหนนะรู้ไม่ทั่วถึงทาที่พระพุทธเจ้ารู้หรอกพุทเจ้าตอนได้ยินพวกสาวบคุยกัน่านก็เติมให้เติมเติมได้ยังพวกเรายังไม่เห็นเลยนะตรงที่รู้ทุกข์กรับสมุทัยแจ้งให้โลดเจริญมากพวกเราอย่งไม่ถึงนะเพของเราแค่ว่าถ้ามีสมุทัยก็เกิดทุกข์ตึ้งตุ้งเหมือนกันนะตึ้งตุ้งตามชั้นตามกูุ่มค่อยๆเรียน วิธีเรียนก็คือรู้กายรู้ใจไปแต่ว่าพอรู้กายรู้ใจสุดขีดแล้วนะปัญญาของเราก็ไม่เท่าที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกเราเราก็จะรู้ที่เกลียวส่วนเดียวไม่มีนักปฏิบัติคนไหนที่รู้ทั่วถึงพระไตรปิฎกอย่าทิ้งพระไตรปิฎกนะไม่มีขนาดท่านตาลิบุนยังรู้ไม่หมดพระไตรปิฎกเลยฉะนั้นอย่างพวกเรายิ่งไปกันใหญ่ ถ้ารักษาเป็ปริยัตจําเป็นนะอย่าทิ้งปริยัติที่เดิมถ้าทิ้งปริยัตเหลือจะนับปฏิบัติเรื่องตีกันไปเพราะนักปฏิบัติชอบตั้งตับกี่เองถ้าบัญญัติตับเองนะเราพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแต่ว่าเราเรียนปริยัตเนี่ยเพื่อว่าจะได้รู้หลักปฏิบัติพอเรารู้หลักปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติสังเกตไปรู้กายรู้ใจไปพอปฏิบัติเสร็จแล้วต้องเทียบเข้าได้กับปริยัติปริยัติชั้นเดิมนะ ได้ปริยัตรุ่นหลังๆที่แต่งแต่ๆกันขึ้นเองบานคนแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะนะรุ่นลหลังๆมันอัตโนมัติแต่งเองธรรมะมันเหมือนเรื่องงอกนะเยอะเลยรุ่นหลังๆงั้นเรามีโอกาสเราก็เรียนถ้าใ่ปีจกว่าไงอัจฉริย า, าว่าไงนแนล้วนะคุณนี้หนักคนตำรวจเนยชื่ออะไรหลวงพ่ลืมไป ที่ก็คือปฏิบัติไม่ริ้งนะสมถะเขาไม่จริง้งวิปัสสนาเขาไม่ริงบางคนปวดดีนะอย่จิ้งสมถะพระพุทธเจ้าสอนทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาตอนไหนควรทำสมถะก็ทำ ตอนไหนควรทํำวิปัสสนาก็ทําแต่ว่ามีจุอดออนอันหนึง่งเราเห็นว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเรา เ, เป็นคนละส่วนกันถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าการปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งการดํานินชีวิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรายังห่างต่อมรรคผลในชีวิตนี้แต่ถ้าเมื่อไร่เราเห็นว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอันเดียวกันอยู่ในครอบครัวมีปัญหากับแฟนบ้างเพียงกันบ้าง เดีูปเป็นอย่างนั้นรูปไม่สบายเลยนี่ปฏิบัติได้หมดเลยไม่ได้เว้นวักนะมันเว้นวักเราเว้นวักเฉพาะตอนที่เราต้องคิดงานมีเรื่องต้องคิดอันนั้นทําไมต้องเว้นวักเพราะในขณะที่เราคิดเรื่องงานเนี่ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้มีกฎของธรรมะอีก่ข้อนอย่างนี้คำอนิยามคือกฎของธรรมะบอกว่าจิตรู้อารมณ์ได้รั้งไดอย่างเดียวจิตรู้อารมณ์ได้ฟังไดอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องที่คิด เรื่องราวที่คิดอย่างเราทํางานเราต้องคิดเราไปรู้เรื่องที่คิดเรียอว่ารู้อารมณ์ปั่นจับจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นั้นเป็นธรรมดาเลยเวลาตั้งใจทํางานคิดเรื่องงานคิดไปนะมีสมาธิมีสติมีปัญญาในการทํางานจดจ่อแต่ว่าพอทํางานไปแล้วชักเครียดมีเครียดไม่ใช่งานนะมีสติรู้ทันหรือทํางานไปประสบความสําเร็จผู้บังคับบัญชาชมดีใจรู้ว่าดีใจ ถ้าไม่รู้เดี๋ยวหลงถูกตำหนิทีเสียนเสียใจหรือว่าเสียใจยเรื่องการใช้ชีวิตกับการปฏิบัติธรรมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนนะมีหนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมนี่เดินยังไงอยากเดินจงกรมเรีนนั่งอยู่ตรงแถวที่สามเนี่ยพ่อกระท้วมาเดินโชว์ไหมวันนั้นคนเยอะกว่านี้อีกนะคนถึงประตูหลังเลยเต็มเฮ้าเลย ถ้าเนียกให้ตอนนี้ออกมาเดินโชว์อะไรคนจะไม่กล้าใช่ไหมไม่กาเดินเดินแล้วแก้งขาปิดนี่ไอหนุ่มนี่ใจถึงนะแหวกคนออกมานี่ยย่องย่อย่องออกมาย่องมาถึงตรงนี้เรต้องหัวจิตตตอนที่เดินออกมาเนี่ยขาดสติไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรนะคิดจะย่องลุกเดอยู่เลยนะอย่างกับพวกย่องเบาย่องย่องย่องออกมาไม่รู้เนืรู้ตัวอะไรข้าอะไรเพก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติ ตอนนี้เป็นเวลาเดินไปเข้าที่ปฏิบัติที่เข้าใจผิดเนการปฏิบัติยังไม่มีเว้นมักนะั้นให้เดินต่อพอเดิน <c oughs> เดินลงมาอีกนะพอมาถึงต้นทางเดินจนครสิ่งแรกที่ทำคือ <c oughs> เอาอีกแล้วกลับอีกข้างเลยนะทีแรกข้างหลงนะตอนนี้ข้างบังคับตัวเอง <c oughs> สุดตรงอยู่สองฝั่งนี้แหละ <c oughs> แล้วเมื่อใดที่จะเข้าถึงสรร ม, มามันทำแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้า ม, มทำแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้าม เพราะฉะนั้นการเดินจยกกลมนี่แท้จริงอยู่ทุกข้าวที่เดินรู้สึกตัวเดินด้วยความรู้สึกตัวแล้วลแหละนั่งอยู่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่หรือก็เรียกนั่งปฏิบัตินั่งทําสมาธิงั้นนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีการปฏิบัติได้นะเช่นฟังหลวงพ่อพูดแเราง ง, งฟังเราไม่เข้าใจเลยฟังแลงง้วงงงงรู้ว่างงปฏิบัติเสร็จแล้วง่ายขนาดนั้นเลยง่ายจนยากเพราเราลึกไม่ตื่นใช่ไหมแจ็ค ยอย่างหลวพบอกมันง่ายนะแจ็ค ก, ก็ดิ้นดินดินด้นแทบตายดี่นล้ววันหนึ่งเขามันอยู่ตรงที่ไม่ได้ทําอะไรนี่แหละถ้าลงทำก็เสียถ้าไม่ทําดีก็ทําชั่วยกปรุมดีปลุมชั่วไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะแจ้คไหื่จะเข้าใจธรรมะคอ่เราอยากเนสอนทีน คือความรู้สึกตอาตอนที่ตามไปมันมีสองอย่างที่เกิดขึ้นือบางครั้งรู้สึว่าเรา็นตัวเราเป็นนดีแล้วก็สว่าเขาคดเขาะไปหือก็ก็ความความรู้สุกหนึ่งกร้วมันมีเยอะแยตัวเองมาเลยแต่ก็รู้สึว่าการกระทำส่วนนี้บางครั้งเป็นเราไปทำให้ตัวเองเป็นเองเแล้ว ้านสติตัวจริงเกิดนะมันจะเป็นอย่างนั้นพอสติเกิดนะเราจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวทํางานนะรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเราจะเห็นว่าเวทนารือความสุกความทุกข์ทั้งหลายเป็แค่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลอะกุศลมันก็เป็นสิ่งที่แปกตรวนผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองเดี๋ยวก็เกิดไฟฟ้าบางทีก็เกิดที่หูบางทีเกิดที่ใจไปคิด เราจะเห็นว่ามันเหมือนเราไปดูอะไรอยู่เรากำลังดูละครโรงหนึ่งนะละครโรงนี้มีตัวละครหลายตัว<ม>คือร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไปความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็แสดงบทบาทของมันไปตัวตนอะตัวตก็แสดงของมันไปใจเป็นเป็นคนดูก็ทําหน้าที่ดูไปคนทั่วๆไปมันใจมันจะไม่ทําหน้าที่ดูอย่างเดียวมันจะเข้าไปแทกแต่งแต่ถ้าใจเราไม่แทกแต่งมันจะเห็นเลยคันห้ามกระจายออก กรจายไปรู้สึกไหมมันเหมือนอยู่ห่างๆนะแล้วแต่ละตัวก็ทางานของมันไปดีแล้วทาถูกแล้วอทเมือมอที่พอพเอไ่ยอ่ารมอมันมันเาถมก็คือพอี่ทายทาย่ากเือกนเลยบางครั้งเราเราารไมู่้เรา่รู้่ไ้เกแต่เรา้งรู้ว่ามันาอะไร ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะเวลาสภาวะธรรมเกิดเรื่ไม่ต้องใส่ยี่ห้อให้มันไ ม, ไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อขอให้เห็นสภาวะเท่านั้นในตัวธรรมจักกับธรรักอนสูตรท่านจะสอนแบบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรนะไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อผมต้องมีมภาวนถึงูเรื่ยเรื่อย มันเกิดคล้ายๆความว่างขึ้นมามันมนีความว่าง่อาเกิดขึนแลมันลงเอาอะไรไออคือมันว่างอยู่ทัันอะไรก็รู้วมันมีควผมไมาาะอย่างที่จว่างที่เราดูตัวเที่เามผอเออตถ้าว่าพอเราดูไปแล้วมันว่างถ้ามันว่างของมันเองนะไม่เป็นไรอย่าเป็นจงใจทำความว่างขึ้นมา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 มหาพิญาตาเป็นหนึ่งเดียวรวดอนนี้มีคู่คู่ออกับความวุ่นเราะฉะนั้นไม่ใช่เอานะเวลาเร า, าปฏิบัติประค่างจิตก็ว่างๆไปว่างก็อยู่กับมาณรู้มันไปแต่ไม่เคลื่อนยิน ด, ดีไม่ติดอกติดใจในที่สุดมันก็แสดงไตรักมันเสื่อมมันดับเหมือนกันแต่ถ้าเราไปตรึงความรู้สึกเข้าไปในความว่างมันจะว่างคาอยู่นั้นนหะว่างอยู่ได้เป็นปีๆเลยอั่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นไปติด คือตามมรูเหมือนที่มันเห ม, ม, มือนที่มันเป็นอารมณ์หรือกิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองก็ดูที่เราดูตัวเราเรต้องาเนยสุขแล้วนะนับหนึ่งไหมนับหนึ่งลูกเดียวนะอาจารย์สุรัฒแต่งแล้วถึงเล่นเรื่องนับหนึ่งไม่ต้องนับสองนะทุกวันนับหนึ่งไปคือรู้ ก, การรู้ใจมีแค่นี้ไม่มีอันที่สองการปฏิบัติเปไม่มีอะไรซับซ้อน มีแค่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองมีรู้กับไม่รู้เท่านะั้นถ้าไม่รู้ก็ปลูกแต่งหลายแบบเช่นเสือไปเลยหรือไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้ถ้ารู้ก็คือรู้นั่นแหละแต่รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเพื่อเอารู้นะแต่ฝึกเพื่อให้มีรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้รู้จากความไม่รู้ยก็คืออย่างนะสมมุติในห้องนี้ทุกคนทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อนะชั่วเท่ากันหมดเลยในห้องนี้จะไม่มีคนชั่ว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 ความจริงก็คือความหลงเราก็ห้ามมันไม่ได้ความตื่นเราก็สั่งให้ตื่นไม่ได้ตื่นแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ผู้พันเหลือกไหมตื่นแล้วรักษาไม่ได้ทุกอย่างมีแต่สองที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างเนี้ใจถึงจะค่อยๆวางปฏิบัติไปเราพ้นทุกข์เพราะจิตปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะไปบังคับจิตให้ดีไปบังคับจิตให้สุขให้สงบบังคับไม่ได้แต่ถ้าสติก็เป็นอนัตตา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 เพราธรรมะมันไม่ได้รู้ด้วยกันฟังธรรมะรู้ได้ด้วยวิธีเดียวเข้าไปเห็นของจริงเลยความสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วครา ว, ว, ราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวมีแต่ชั่วคราวหมดเลยยืนก็ชั่วคราวนะนั่ง น, นอนก็ชั่วคราวมีแต่ชั่วคราวหมดเลยค่อยไปดูของจริงอย่างนี้เราจะรู้เลยตัวเราไม่มีเมื่อไหร่เห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันโสดาบันละความเห็นผ bon, ิดว่ามีตัวเราเรารู้กายรู้ใจต่อไปอีก เป็นหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจนะจะไม่มีที่ตั้งของความทุกข์เพราะความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายที่ใจนี่เองถ้าวางปล่อยวางกายปล่อยวางใจไปความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งตัดทิ้งเป็นไงหายเป็นนานอกอแล้วแล้วนึกว่าหลวงพ่องานไม่เยอะหรอหนหนไม่ได้สอว่า ให้เป็นครับรู้รู้รู้านภาวนาไม่ต้องเป็ี่ยนก็ได้นะช่วงนี้รู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เลยรู้สึกภาวนาไม่เป็นรู้ว่าภาวนาไม่เป็นรู้ว่าอยากจะภาวนารู้ว่าใจที่สุขหักลุกหลักอยากภาวนารู้อย่างที่มันเป็นแล้วไงรู้ ง, ง, งอะวุ้เป็นไงปฏิเวทไม่มีอะไรหนอกจิตมันไม่มีแรงจิตมักนกระจายไปนี้ดวออกไหม จิตมันไม่ตั้งมั่นใจมันนิดหนทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นน้อยู่งทำสรรพสารนิดหน่อยแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นเดี๋ยม่ก็มีแรงขึ้นีอไม่ได้เสียหายอะไรที่ไม่พื้นฐานดีอยู่แล้วอาภูหลงบ่อยหรือหลงงบอยอหลงนานเออหลงนานมันไม่บ่อยถ้าหลงนานมากนั้นหลงมาหลักครั้ง เออดีที่รู้ทันนักปฏิบัติทั้งหลายครับพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอก็แทรกแซงพอรู้ว่าโกรธก็แทรกแตงนะพอรู้ว่าโรคก็แทรกแต่งมีแต่แทรกแซงที่ต้องแทรกแซงเพื่อไว้ลายของนักปฏิบัติคิชื่อนักปฏิบัติคือนักทำต้องทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมดาเอาเบ อ, เเอร์สามสี่ <sh arc astic manera> คือเหมือนอ่ะอือ คือเดีจะ่เมื่วนี่มีช่วงำให้เราเิกันไ้มา่าเราดีจริงคือมองอะไรทดีคอมอ่ดีคอดูเออจะรู้เลยว่าทำอะไรไม่ได้จริงดเราไม่ดไรวัดว่าไม่ดีอ่ะเออเกลือนไม่ดีใ ต้องขยันแข่งขงานการปฏิบัติเหมือนพายเรือสูนน้าถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะมันฝ่อหลังมันไม่ได้อยู่ที่แล้วต้องมาเริ่มต้นสปีดใหม่นบางคนทายไปแล้วเกือบจะข้ามแก่งได้รอบหนึ่งแล้วก็เฉื่อยลงมาฝ่อหลังแป๊ไกลมันดีคือดีมาพายใหม่นะมาถึงแถวๆที่เก่าอะพอแล้วขิดเกียจละไม่ข้ามไปได้สักที กันปึกตามรู้ความรู้สึกนะควรจะฝึกทุกวันวิธีฝึกก็คือแบ่งเวลาช่วงหนึ่งไว้พลาสวดมนทมํนทนทน า, นาสนมนสาธิเด่งจงพรมหรือเคยทํากรรมฐานอะไ ร, รก็ทํากรรมฐานนั้นไป เช่นเคยพุทโธก็พุทโธเคยหาใจก็หายใจเคยดูท้องฟองยุคก็ดูไปแต่ไม่ใช่ดูเพื่อให้มันสงบเฉยๆเป็นการสึกซ้อมอยู่สภาวะเช่นพุทโธหรือหนใจหรือดูท้องฟองยุคแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งลมเพ่งเท้าเพ่งท้องรู้เข้าไปเพ่งจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ ฝึกฝึกรู้ว่าฝึกรู้สภาวะนะแลบ่งเวลามาฝึกในรูปแบบนิดหน่อยถ้าไม่มีการฝึกในรูปแบบเลยอยู่ๆก็เจริญสติในชีวิตประจําวันกาลังไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นการทำตามใรูปแบบเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องจําเป็นเหมือนนักมวยนักมวยถึงเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องซ้อมชกนะทุกวันต้องไปชกประสอบไปกระโดดเชือกไปวิ่งอะไรมันต้องทอําอ่ะถ้าไม่ทําแล้วมันออกหมัดช้า นักปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราไม่ซ้อมปฏิบัติในรูปแบบเพื่อจะหัดดูสภาวะสติจะเกิดช้าแค่แค่ออกหมัดช้ากิเลสมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นเลยออกหมัดช้านางนังอยู่นั้นเลยยังต้องอซ้อมนะซ้อมแล้วจะชมนิชินานกิเลสไหลมาแวะสติเกิดเลยคุชลังโกเป็นไงอ่งมีที่มนาะเออ จิตขนานี้เป็นไงคุณหลวง ต, ตัวคือเราไม่มีมูหะเลยนะมีคว่มมัวแทรกอยู่ในจิตนิดนึดนงเหลือไหมน่าเหลือใช้ได้เบอร์สี่สิบนี่แหละข้างหน้านี้ของกันบ้านเลยถึงบ้านอยากกันบ้านคือเหระดัวาพอตดไปแล้มีม S <S <an> ถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ว่าอยากนะไม่ปิดเกลียดมันใจจะไม่แน่นนึ้นมาไม่อึดอัดแต่ถ้าอยากให้มันหายนะ อ, อึดอัหรืออย่างเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วอยากรู้สึกเรื่อยๆเป็นอึดอัดมีความอยากเกิดขึ้นอะไรความทุกข์ก็เกิดไว้นั่น น, ะนี่พอทุกขึ้นมาใช่ไหมก็อยากหายอีกแล้ว อยากหายแล้วไม่ได้หายอ ย, hall, อย่างใจนะก็โมโหเนี่กิเลสเรียบเรียนทำงานในใจเราไปเรื่อยๆนะให้ค่อยดูไว้ที่ทำอยู่คอยใช้ได้แล้วละมันเห็นเริ่เห็นกิเลสเห็นเลยมากคือติดมอกันบ SO e. ้างช่วงนึ่งหนึ่พวเาที่แลวที่พบอารย์อาามานที่นี่เขาไปที่นอยู่บ้านก็เจ อยางนันมาครอือเขานไม่ว่าที no. ่ไหนมีความสุขเขาจะเข้างเขาะติดมาพอพบผู <H> ้จารได้บอกว่าที่ที่เขาไปได้ไงก็ฝึกใจให้ยาวให้เป็นจแล้วก็ดูรอว่าทุกอย่างไม่เกิดขึ้จะเกิอะไราเขา้าดูแล้วเห็ว่ดชัดเจนดีแต่ว่าตอนนี้จิตฟุ้ต้านเกินไปนิดนึงหรือแอกไหมมันฟุกตา ดูออไหมเออใช้ได้คุณกบีะแล้วก็เรวดี่วัาาต้านแข็งหืเล่าเรากหืเ้าป็นางีกดเข้าไปแต่ว่ามมต้องต้นแข็งปละไม่กดเข้าไปเนี่ยจะภาวะไอคล้ายกันอยาเ้ว่าทีมีชีิต ตาอี้ที่นเนอิงรบบเห็นมาเื่อบี้ต้องล็อกเ้าไที่อยู่เ้าหน้าที่พันกจะปัตารปจะเห็นไ้ากกาล็ลภาพักไปอยู่ตรงตรงที่เราตั้งอตรงนี้นั่นแหละที่อยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้ก็ล็ออยู่ใเรา รู้สึกไห้ที่ยังเล่าอยู่มันยังไม่เต็มที่ตอนนี้มันไม่หมือกับที่ตอนที่ที่หรือว่าตั้งใจจะทริทคือตอนี้มีความรู้สึว่าหมือนว่าจิตมันเริ่มคุนเคยกับกับเอ่อเหมือนกับมนลก็ไปหลบไปมาเจออะไร้นก็จะไปหลบไปหลบอีกีเป็นยี่ปอไปค้นวากันจะไใส่หรว่าม ในตัวที่เราเลิกตัวไปมันจะเปลี่ยนสภาพสภาว่าตัวไปหรือว่ามันเปลี่ยนไปตามสภาพทุกข์ของจิตใจมันจะหาความสุขมันจะหนีความทุกข์พอมันไปกระทบความทุกข์นะมันถลบไปแช่อยู่ข้างในแค่ห น, ใหนีใจยังติดกันหลบเข้าไปนะ <c oughs> ดูกไหมกระั่ขนานี้ขนานี้ไม่ได้รู้สึกตัวเต็มที่ห อ, อ, อล่าตอนันรู้สึกว่าัน มันมว่ามันโมว่มันคือมันมีโมหะเพราะงั้นจิตอย่างจิตขันนั่นเกิดความสงสัยทราบไหมครับแม้เราจะไม่เห็นสภาวะเพราะมันมีโมหะแต่ถ้าเราเห็นสภาวะตรงความเป็นจริงเนี่นมันจะไม่โมวแล้วมันจะสว่างขึ้นมาเลยหายหายมากกว่าเม่กี้แล้วแต่ยังเกิดความอยากรู้ขึ้นแทนหลวบไหม เห็นไมมความอยากรู้เกิดขึ้นเราไม่เห็นอจะต้เนี่ยเที่ยวไปหามันรู้ว่าไปหาครับเม่อรู้โลกปัจจุบันไปเรตามหลังกันเด่นใจลอยแวบไปแล้วทราบไหมเด่ไปอีกแล้วรู้สึกไหมเด่นไปอีกแล้วรู้สึกไหมชักงงแล้วรู้สึกไหมชักงงแล้วไหมเอมจะหลงไปเรือจะแ๊บๆๆไปเลยครับ รู้ทันเยัจินี่แม่เอที่เิดขวันะไม่เป็นไรเกิดบ่อยได้แต่ว่าไม่ใช่ไหลแวบแลไปเกาอนานๆไหลไปอย่างนี้ไหลอย่างนี้แล้วก็ไปจมอยู่ในความคิดเลยเออเราไปได้อันจิตจิตเบอห้าเบอรห้่นผเศาทุดอา พอไปพดก็เราพูดเลยว่ามันก็ดีจนมันดีแล้วคือหลวงพ่อนะปฏิบัตินะไม่จำเป็นต้องดีนะบัรายกิเลสได้ปลูกกับสภาวะที่กําลังเป็นแค่นี้พอใจแล้วเพราะอะไรเพราะเราเรียนเรื่องสภาวะเรียนว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองกายกันใจถ้ารู้ทานสภาวะต่อไปจะเห็นในทุกอย่างของโชื่อกราวทุกอย่างแสดงไตรลัก เห็นมากเข้ามากเข้าใจก็จะปล่อยวางได้ถ้าเบอร์สามเป็นเ น, อนเออแต่ว่าดูแล้วอะไรไปดูใจเราอยู่แล้วนี่ก็ดูไปดูความเปลียนแปลงในใจเป็นกรรมฐานอยู่แล้วอันนี้ที่สองคนทาใช้ได้แล้วเนี่ยดีแล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาเต็มที่ทททดีแ ล, ล้วถ้เาเบอร์สองเนี่ย คือ่นไ่นแ้วก็เราจะมีแบบที่เราไม่ตพยายามให้น้อยลงนิดหนึ่งนะจงใจนี่มันจงใจจงใจเนอจงใจเกินไปนิดหนึ่งถ้าจงใจเ้วใจก็คือรู้สึกไมแต่อย่านิ่งนิ่งคือคือไปนิดมันเกินธรรมดาไม่ติดกมกลยแใร่ คือถ้ามากกัอนเกาะอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีกวามสุข ร, รู้สึกสบายดีชอบผมชอบกาะนัะคุณนี่แหละมาจากไหลักการธรรมชารปฏิบัติไม่มีอะไรเยอะหรอกนะเราจะเรียนรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเมื่อเราจะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ดัดแปลงนะ นั่นมันจะมีสัตรูของการรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจสองอย่างอันหนึ่งใจลอยรู้จักใจลอยไหมนี่อย่างเมื่อกี้พอรู้ว่าใจลอยรู้สึกไหมเหมือนมันตื่นขึ้นมาพอทันทีที่รู้ว่าใจลอยมันจะตื่นตอนนี้มีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจลอยไปคิดแล้วนี่รู้ทานแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ตื่นได้กีลแว๊บนะไม่ใช่ว่าจะต้องตื่นนานตื่นแว๊บเดียวนี้ก็พอแล้ว จะเห็นเลยว่าเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกเห็นอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดปัญญาจะเกิดจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ในตอนเนี้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่เรียนเพื่อให้เห็นของจริงนนะนี่เราฝึกไปอ่างนี้ไปดูใจเราแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมต่ขอเข้าใจยนะัง นนเน่ยพอใจหลายแวแต่เรารู้สึกหลายแว บ, บเรารู้สึกนะรู้อย่างนี้รู้เรืเรเรเร่อยๆแต่ไปบังคับมันด้วยคนส่วนใหญ่ใจหนีไปแต่เจ้าตัวไม่รู้หนีไปเป็นวันๆเลยหนีไปตั้งวันเนี้หนีไปแบบเนี้หนีไปคิดไปเรื่อยๆนะรู้เรื่องที่คิดนะบางทีก็รู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจสังเกตไหมตอนที่เรารู้เรื่องที่คิดเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจในขณะนี้ลืมไปอีกแล้ว รู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะจำไว้นะเราจะฝึกเจนเรารู้สึกตัวได้บ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยเราก็จะหลงบ่อยเผลอแวลรู้สึกแวบลบรู้สึกรู้สึกจะเห็นเวนเวนไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้เรียนทําอะไรนะนี่เห็นไหมเราต้อปฏิบัติคือการทำเนหะ็นไปฏิบัติไม่ได้แปลว่าทําอะไรแปลว่าถึงเฉพาะ คือไปรู้เฉพาะหน้าตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นในตอนนี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังเราก็คิดฟังแล้วก็คิ ด, คดให้รู้ทันจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หารู้ทันจิตตัวเองทําอะไรอยู่แต่ิดเนี้ยทําอะไรไม่ออกหรือยังหลงไปคิดเลยจิตมันหลไปคิดเพื่อให้รู้ทันเลยนะจิตมันหลงไป ฝึกให้ได้นะหลงให้ได้ชั่วโมงละร้อยครั้งนะถ้าหลงได้ชั่วโมงละร้อยครั้งจะ เ, เก่งเลยไปมีพร้างนึงมาเรียนกัวงพ่อนะวันแรกนะหัวโตกลับไปไน็นหงงห่างไม่ดูเรื่องเลยวันที่สองฝังหลวงพ่อไปนานแ ล, นะ ล, ล้นะเห็นแล้วท่้นกับไปท่านไปนนั่งขยับนิ้ ว, วขยับกระทบไปเรื่อกระทบกระทบแ ล, ล้วก็ใจลอยว่าใจลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอย ตบกระตบแล้วโอ้มาเพ่งใส่นิ้วแล้วกรู้ว่าเพ่งกระตบไปแล้วมีความสุขก็รู้เป็นทุปก็รู้ที่ท้านตบว่าในเวลาทุ่มโมงหนึ่งเนี่ยท่นใจลอยร้อยกว่าั้งแต่ท่านเห็นว่าชั่วโมงหนึ่งใจลอยร้อยกว่าครั้งท่านเลตื่นขึ้นมาเข้าใจแล้วการปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรจิตหลงไปก็รู้พอรู้ได้พักเดียวก็หลงใหม่ทั้งรู้ทั้งหลงล้แต่ไม่เที่ยงเห็นถึงขนาดนี้นะ ภาวนาเก่งได้ได้เลยไม่ใช่ฝึกก็ไม่ให้หลงนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะรู้ตัวตลอดเวลาแต่รู้ตัวทีละแวบเพื่็จะรู้ว่าเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้เมื่อกี้หลงตอนนี้รู้ฝึกไแบงนี้เรื่อยๆใสุดจะเห็นไลยทั้งรู้ทั้งหลงรู้แต่ของไม่เที่ยงทั้งรู้ทั้งหลงรู้แต่บังคับไม่ได้จิตที่หลงไปก็เป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้เป็นตัวแทนของกุศลทั้งกุศลและอกุศลรู้แต่ไม่เที่ยง มันแต่บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ ใ, ใจแอบไปทําอะไรทัาไห ม, มาดูออกเัียงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเลยรื้อออกเัียยงไม่หลงเข้าไม่ได้แกล้งว่านะเอารู้ตัวเป็นขึ้นม า, าจะรู้เลยตลอดชีวิตที่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยแล้วคนทั้งหลายหลงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยน่าสงสารที่สุดเลยแต่ก็ได้แต่สงสารนะไม่รู้จะช่วยอะไรต้องอช่วยตัวเอง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 เว้นช่วงเดือนหนึ่งมาฟังทีหนึ่งจะพบ ว, ว่าความรูความเข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกซีดีหลวงอ่อพลาดท้าเลยนะฟังหลายครั้งก็เข้าใจไม่เหมือนกันหรอกแต่ต้องปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนกันนะคือไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยแต่ถ้าหัดรู้หัดดูนะหัดรู้ใจหัดดูใจเอาตัวเรื่อยๆฟังแต่ละครั้งความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันเรียกหลวงพ่อเห็นมากจริงๆ เห็นว่จริงๆเลยตอนเด็กๆเราคิดว่าเรารู้อริยสัจเรารู้นะตอนเด็กๆเรียนวิชาศิลธรรมสมัยก่อนมีวิชาศิลธรรมเรียนอริยสัจสี่บอกว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่เราเรียนเราก็รู้เลยว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์เขาสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ในความเป็นจริงไม่มีคนมีแต่ขันห้าเป็นฟุกถ้าสอนจริงๆอย่างนี้เราก็ไปเห็นว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นฟุกยังดึกว่าเข้าใจธรรมะพอเราศึกษาปฏิบัติธรรมมากข้ามาเข้าไปอ่านอริยสัจใหน่อยอ้าวฉันว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นฟุกไม่มีคนฟุกนะมีแต่รู ป, ปรนามกายกับใจเป็นฟุกความเข้าใจไม่เหมือนกันปฏิบัติไปเรื่อยเราก็เกิดความเข้าใจว่าถ้ามีตัณหาเขาจะเกิดความฟุก ก็เข้าใจถูกเหมือกันอย่างใจเราเกิดความอยากเกิดกาดรทิฏวนก็มีความสุขขึ้นมาถ้าวันไหนไม่อยากไม่ดิ้นนะก็ไม่สุขเราก็คิดว่าเราเข้าใจทําไมแล้วเข้าใจอริยสัจนี่หรอภาวานาไปนานๆนะลองศึกษาอริยสัจอีกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างท่านบอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เราเห็ยนมาทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ได้เข้าใจเลยนะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ท่านบอกเลย หัดกันนานหัดคอยรู้กายนัดคอยรู้ใจวันหนึ่งค่อยเห็นว่าเออกายนี่ทุกล้นล้วนเห็นได้ก่อนนะมีแต่ทุกมากกั่ทุกน้อยฝึกไปนานเลยนะก็จะเห็นเออจิตนี้ทุกล้วนล้วนนะมีแต่ทุกมากกั่ทุกน้อยถ้าเห็นอย่างนี้ ร, ระวางระวังแล้วเราควรทุกได้นะคนทุกต่อหน้าต่อตาเหมือนคนวทุกเพราะใจเราหมดภาระไม่ใช่คนทุกเพราะว่าไปทําอะไรขึ้นมาได้การที่เราพยายามทําทอะไรต่ออะไรวุ่นวายขึ้นในใจนะั้นมีแต่เพิ่มความทุกข์เพิ่มภารนะ เรารู้ทันใจรู้ทันใจว่าหนึ่งหมดการวิ้นรนหมดความขิวกลบกระหายในจิตใจนะสบายหมดอารมคนพุดจริงๆเนี่ยธรรมะลึกนะค่อยๆเรียนก็อยๆฟังฟังแล้วฟังอีกนะเอย่าเพิ่งมาไปให้ใครนะเอาไว้ฟังเองก่อนซีดีหลบข้อนะต้าช้าเลยนะไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าหลบข้อพูดเอง ได้รักป็นไงดีแล้วจิตจิตเป็นสบายขึ้นแล้วไปรู้ไปอาของโยมเป็นไงอ๋อไม่เป็นอะไรถึงจะไม่ไปนมัสการสังเวชนียสถานนนะแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็ไม่ไปนรกเหมือนกันก็ <c oughs> อะไรเพราะจิตมันเป็นกิริน ถ้าเข้าฝันนะแล้วจะมียึดอะไรนี้ให้ท้างเดียวเรื่องเาฝันมาจี่ไนมแล้วนั่นหมายถึงว่าจิตใจเนี่ยคอยะระลึกถึงนะจิตใจคอยะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆกลับมาแล้วก็ปลื้มใจนึกถึงแล้วก็ปลื้มใจนเรื่อยๆแต่ถ้าไปฝังเวชนีเี่ยสถานแล้วกลับมาทาชั่วตลอดยังไงก็ตกนรกฝังเวชนีสถานจะช่วยอะไรได้ ใจของเราตรหาสร้างนารกให้ตัวเองสร้างสวรรค์ให้ตัวเองสังเวชนียสถานเป็นแค่สิ่งที่เตือนใจสังเวชณียะเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีสตังค์ไม่มีเวลาจะไปนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆก็ใช้ได้ไปสวรรค์ได้เพราะมันเป็นพุทธานุสติทุคนมาชวนหลวง่อไปด้วยหลวงพอไม่อยากไปเลยที่เกลื่นั่นรถ อายุองมันคเยรเ์แต่าเนท่าให้เกสติทงไเอดให้กิดสติสติเป็นความระลึกได้เย่างเราจะระลึกได้ว่าคนนี้มาเยเราต้องรู้จักคนนี้ก่อนงล้วเราต้องหัดรู้สภาวะยมเคยฝึกกรรมฐานอะไรรึยอมยุบยมฝึกดูความยุบต่อไแต่อย่าเป็นเพ่งอย่าเปเพ่งให้จิตนิ่งนะให้รู้เฉยเฉยนะ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 ว่ารูปนี้เป็นตัวเราได้เป็นวิปัสนาะอีกอย่างหนึ่งมาดูฟองยุบกันือพองยุคจิตนีปีกคิดเคยเป็นไหมฟองยุบไปแล้วจิตแอบแวบปีกคิดเรื่อยให้เรารู้ให้รู้ว่าคิดให้รู้ว่าคิดไม่ห้ามนะไม่ห้าไม่ห้ามให้รู้ว่าคิดเนี่ยเราจะจําสภาวะว่าจิตแอบปีกคิดเป็นอย่างนี้เองดูไปเรื่อยจิตถลำเข้าไปอยู่ที่ต่องปีกเข้าไปเช้งรู้ว่าจิตเข้าไปเช้งให้รู้ทันนะไม่ห้ามแต่อย่าเช้งนานนะบาคนเช้งเป็นปีๆ ทาปดวปดเหรอปวดเราก็ขยับัะเปลี่ยนอิทธิยาบทนะพอเมื่อเรานั่งแล้วมันปวดเรารู้ว่าปวดเรารู้ว่าใจเรากระวนกระวายเสร็จแล้วเราเปลี่ยนอิทยาบดปุ๊บใจเราดีใจใจเรามีความสุขเราก็ดูสันนี่เมื่อกี้ใจกระวนกระวายตอนนี้ใจไม่เคี้ยงแล้วใจมีความสุขเราหัดดูสภาวะดูไปเรื่อยๆทีแรกเราก็จะรู้จักสภาวะน้อยๆต่อไปเราก็จะรู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้น เช่นแต่แรกก็หัดเลยจะเห็นแต่ของอยา่างเช่นต้องโรกรธก่อนถึงจะเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วอย่างเรานั่งในห้องมืดๆอย่างนี้นะพอเราเปิดประตูไปแสงแดดจะทบเปลือกตานะปฏิฆะความขัดใจเกิดขึ้นแล้วจะเกิดลำคาญขึ้นมันมันจะเห็นเองค่อยๆเห็นนะค่อยๆเรียนสภาวะมันอย่างตอนนี้โยมฟังอาจารมาพูดโยมรู้สึกไหมฟังไปคิดไปเออ ไม่ไม่ห้ามถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องนะที่จริงเราไม่ได้รู้เรื่องก็ราฟังนะเรารู้เรื่องเพราะคิดเราฟังไปคิดไปเนี้ยใจลอยไปแวบหนึ่งทราบไหมคิดเนี้ยอยังจ ะ, จะตามอการตามเพราะอะไรตามเพราสติสติสติเป็นคนตามรู้เพราะฉะนั้นสติจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็สั่งไม่ได้นะแต่ถ้าจิตมันจํำสภาวะได้พอสภาวะที่จิตมันจําได้เกิดสติจะเกิดเอง เพราะฉะนันใหม่ๆต้องรู้สติตัวเลกตัวเรีว่าสติธรรมดาสติธรรมดาไปตามรูปก่อนนะเพราะฉั้นโยมดูความยุบไปใจลอยไปก็รู้ใจเป็นเพลิงไหมก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้นะใจมันหงุดหงิดเพราะมันงงไยแล้วมันหงุดหงิดแล้วรู้ว่าหงุดหงิดนหัดรู้ความรู้สึกเรื่อยๆพูดง่ายๆนะหัดรู้ความรู้สึกบ่อยๆต่อไปประจิตมันจําความรู้สึกได้เราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ ยืนเดินนั่งนอนมันจะมีสติตลอดเที่วันรู้สึกมีทุกข์สัมมาจัณฑะช่ไใช่แล้วใจจะตั้งมั่นนะสัมมาสมาธิก็เกิดแต่มันจะตั้งมั่นสติสัมมาสติกับมิจฉาสติไม่เหมือนกันสัมมาสติเป็นสภาวะที่จิตไประลึกได้เป็นความระลึกได้มิจฉาสติเนี่ยจงใจไปจ้องหราอไม่มจงใจกำหนดแล้วสัมมาสติเนี่ระลึกขึ้นมาเอง ถ้าพูดอย่างที่ทำมันคือจิตที่เป็นอสังขาริจกรรมไม่ได้สั่งให้เกิดอีกอันนึงตัวใจไปกําหนดไว้มันเป็นสังขาริจกรรมดวงใจทํา น, นี่ไม่ใช่ของจิงได้ แ, แต่สมรรถอันที่สองสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันสัมมาสมาธิเนี่ยใจจะตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองเรารู้อารมณ์อย่างสักว่ารู้เหมือนรูคนอื่นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหว เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภมันโกรธมันโงดูอยู่ห่างๆตักว่ารู้มันเราดูละาผออยู่นอกเวทีส่วนมิจฉาสมาธิมันจะประโจนเข้าไปรู้มันจะเข้าไปตั้งไว้ที่ตัวลมการตั้งแนบเข้าไปที่ตัวรมเนียเรียกว่าอารามานุปนิชฌานเป็การเข่งตัวลมยมรู้สึกไว้อย่างดูท้องเ น, นี่ยใจจะแนบปิ่นที่ท้องที่เรียกว่าอารามานุปนิชฌานได้สัมผัส จะเกิดกิจีตเกิดผนลุกเกิดอะไรพวกพวกบ้กบกบาๆพี่ไม่ว่าอย่างไม่ใช่หยาดในนาการของสมถะแต่ถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจิตจะไม่ถล่มไปแช่ไปที่อารมณ์แต่จิตจะตื่นขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเห็นอารมณ์อยู่ห่างๆนะสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วมันจะรู้เลยอารมณ์พวกนั้นไม่ใช่ตัวเรารอเองของแปลกลอมผ่านไปผ่านมาหรือตัวปัญญาที่เป็นสมาทิฏฐิที่เกิดจากภาวนากับปัญญาที่เกิดจากการคิดก็ไม่เหมือนกัน สติก็มีสองอันนะ ส, มสัมมาสติวิจฉาสติสมาธิก็มีนะสัมมาสมาธิวิจฉาสมาธิปัญญาก็มีนะปัญญาที่เกิดจากการคิดกับปัญญาที่เกิดจากการรู้ไม่เหมือนกันอย่าการที่เราเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปัญญาี่เกิดจากการรู้แต่ถ้าเราไปโจมใจช่วยมันคิดนะไม่ใช่ของจริงเราตั้งใจเป็นมิจฉาเห็ น, นตั้งใจก็เห็ น, นตั้งใจจริงๆเป็นภาษาสุภาพ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 ดนั้นโยนฝึกอันเดียวพอฝึกหัดรู้สภาวะหัดรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงใช่หัดทีแรกจงใจรู้ไปนิดนิดจรู้นิดนิดนะแต่อย่ า, าไปจงใจจ้องถ้าจงใจจ้องมันจะไม่มีความรูม้สึกมันจะนิ่ง ก็หัดดูจิตแรกก็หัดรู้หัดรู้ไปไเรื่อยจนกระทั่งจิตมันจำได้แล้วสติเกิดเองละตอนที่สติเกิดเองเนี้ยเป็นสติที่มีกำลังนะเบื้องต้นเป็นสติธรรมดาธรรมดาไม่มีกำลังจิตตามได้ดีนะโยมคปอยขัดแยกเขอถามว่าอ่ะวันนี้เชิญเอาเาว่าไรแจกอืมเออ อ๋อยัมีลูกแล้วล่ะมึงเนี่ยอ๋อไปดูเ่านะพกะคุณเจ้าสอนไวแล้วอยู่ในเรื่องที่หกไปดูเอาวพ่อแม่ที่ดีมีหน้าที่อะไรลูกที่ดีมีหน้าที่อะไรไปอ่านนะอยู่ในเรื่องที่หกมันสอนสิ่งทารมานนกสิ่งทารมาณนกเนี่ยสื่นช้าขึ้นมานะเอาน้ําราดหัวให้หัวเปียกๆแล้วไปยืนไหว้พระอิตไหว้อาิตย์อ่ะ ให้ทิด ต, ต่างๆพระพุทธเจ้าไปเจอธรรมะทำอะไรบอกข้อสั่งไว้ให้ไหว้ทิศพุทธเจเ้าบอกว่าในศาสนาพุทธในอริยวิในทิดทั้งหกเนี่ยคือคนหกประเภทพ่อแม่ก็อยู่ทิดเบื้องหน้าไปดูเอา้พอพระชักจำไม่ได้แล้วพอสอบนักจำเสร็จก็ลืมเหมือนกันเลยเพราะธรรมะอย่างนี้เป็นธรรมะในขั้นจริยธรรม